เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจูุศ์ทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24กรกดาคมพุทธศักราช2554เป็นวันพระของคนยุคใหม่คือเป็นวันหยุด การทำงานคนยุคใหม่สมัยนี้หยุดทำงานในวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่สามารถหยุดเหมือนกับคนยุคเก่าได้ที่จะหยุดตามวันแรงวันขึ้นเช่นวันพระของคนยุคเก่าก็คือวันขึ้น8ปดขั้มแรงแปดขั้มหรือขึ้นสิบห้าขั้ม แรมสิบห้าค่ำสมัยก่อนคนคนไทยชาวพุทธเราจะหยุดงานในวันพระวันโกนเพื่อจะได้เข้าวัดมาปฏิบัติภารกิจของพระศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของจิตใจแต่ในสมัยปัจจุบันเวลาได้เปลี่ยนไปสมัยนี้วันหยุด จะตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์จึงไม่ค่อยตรงกับวันขึ้นแรงเหมือนกับในสมัยอดีตคนยุคใหม่เลยจำเป็นต้องปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์โดยการถือเอาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นวันเข้าวัดเป็นวันพระแทนวันพระนี้ความจริงก็ไม่ได้อยู่ที่วันขึ้น แรงแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำของพุทธศาสนิกชนที่มีวันพระไว้ก็เพื่อจะได้ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดมาทำบุญมาละบาปแล้วก็มาชําระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ดังนั้นวันไหนที่เราเข้าวัดแล้วเรามาทำบุญละบา ชำระใจให้สะอาด้ดยสุดวันนั้นก็ถือว่าเป็นวันพระของเราเพราะคำว่าพระนี้แปลว่าผู้กระเสริฐเรามาวัดเรามาทาตัวเราให้เป็นผู้กระเสริฐด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นวันพระจึงเป็นวันที่สำคัญ ต่อชีวิตจิตใจของพวกเราเพราะเราจะได้มีโอกาสมาพัฒนาจิตใจพัฒนาความสุขความเจริญให้แก่จิตใ จ, จของเราซึ่งโดยปกติมักจะไม่ค่อยจะพัฒนากันเนื่องจากอำนาจของความโลภความโกรธความหลงที่ครอบงาจิตใจทำให้เห็นผิดเป็นชอบ ทำให้เห็นว่าการพัฒนาทางด้านวัตถุทางด้านลาบยศสารเสริญทางด้านความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายว่าเป็นการพัฒนาที่แท้จริงแต่ความจริงแล้วการพัฒนาลาบยศสารเสริญและสุขทางตาหูจมูกนิ่นกายนี้ไม่ได้เป็นการพัฒนา เพื่อจิตใจแต่เป็นการพัฒนาเพื่อกิเลสตัณหาต้นเหตุที่จะมาสร้างความทุกข์ใจให้แก่ผู้ที่หลงอยู่กับการพัฒนาแบบนี้ชีวิตของคนในโลกที่เจริญทางราบยศสารเสริญสุขส่วนใหญ่มักจะมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากขาดธรรมะแสงสว่างที่จะทำให้เห็นว่าลาบยศสารเสริมสุขนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเจริญย่อมมีการเสื่อมมีการหมดไปได้และไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจหรือการควบคุมของใคร ขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆคนที่ยึดติดกับลาบยศสละเสริญละความสุขทางตาหูจมูกนิ้ายจึงถูกความทุกข์เหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาทั้งๆ ท, ที่มีลาบยศสละเสริญ มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากมายกายกองแต่ก็ยังต้องถูกความทุกข์เหยียบย่ำอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับราบยศสระเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองคือไม่รู้ว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยง ไม่รู้ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเมื่อไม่รู้ก็เลยเกิดความหลงอุปทานความยึดติดยึดติดว่าคิดว่าเป็นของเราเมื่อเป็นของเราก็มีตัณหาความอยากที่อยากจะให้ของเรานั้นอยู่กับเราเป็นนานๆไม่ให้เปลี่ยนแปลงให้มีแต่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่ให้ไม่ให้เสื่อมลงไม่ให้เดวลงพอความจริงของสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามความจริงของเขาคือพอเขาเปลี่ยนไปเขาเสื่อมลงหรือเขาจากเราไปเราก็มีความเศร้าโศกเสียใจมีความทุกข์ใจ ในขณะที่เขาอยู่กับเราเราก็มีแต่ความหวงความห่วงความกังวลนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการไปพัฒนาลาบยศเสริญสุขทางตาหูจมูกปินกายแทนที่เราจะมาพัฒนาความสุขที่ เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นการพัฒนาที่แท้จริงเรากลับไม่ได้มาพัฒนากันเพราะเราไม่รู้นั่นเองนอกจากว่าเรามีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตามเราถึงจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั่นก็คือให้ทำบุญละบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจ น, นี่คือเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขใจของเราจะสุขจะทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมาก มีลากรสเสริญสุขมากน้อยเพียงไรแต่อยู่ที่ว่าสามารถปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนได้มากน้อยเพียงไรถ้าสามารถทำบุญได้มากสามารถละบาปได้มากสามารถชำระใจให้สะอาดได้มากความสุขและความเจริญภายในใจก็จะมีมากขึ้นไปตามนั้นนะดังนั้น ขอให้พวกเราจงมาทำความเห็นให้ถูกต้องว่าความสุขและความเจริญที่แท้จริงนี้อยู่ที่การทำบุญละบาปและชำระใจของเราให้สะอาดบรยสุดไม่ได้อยู่ที่การกอบโกยลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะนั่นเป็นการกรอบโกยกองทุกข์ให้เข้ามาเผาผลาญจิตใจอย่างที่เป็นอยู่กับพวกเราทุกวันนี้พวกเราล้วนมีลาบยศเสริญสุขกันแต่เรามีความทุกข์หรือไม่และความทุกข์ของเรานี้มันจะหายไปหมดไปหรือไม่เราก็มีมาตั้งแต่วันเกิดแล้ว จนถึงวันนี้ความทุกข์ต่างๆที่ลุมเล้าจิตใจของเรามันก็ยังมีอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าเราไปหาความทุกข์เข้ามาใส่ตัวเรานั่นเองแทนที่จะขับไล่มันออกไปเรากลับไปกว้านมันเข้ามาด้วยการไปสแสวงหาลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ในชาตินี้พวกเราถือว่ามีวาสนามีโชคที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังถึงความจริงของความสุขที่แท้จริงของพวกเราถ้าเราไม่ปฏิบัติตามก็เป็นเหมือนกับไก่ได้ปล่อยไก่นี้เขาจะสนใจแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือน เวลาเขาคุยเขีย่ยหาอาหารถ้าไปเจอเพชรหรือเจอพลอยเขาก็จะเขีย่ยทิ้งไปเขีย่ยวทิ้งไปเพราะเขาไม่รู้จักคุณค่าของเพชรของพลอยเขารู้แต่คุณค่าของตัวไส้เดือนตัวหนอนเท่านั้นฉันใดผู้ที่สแสวงหาแต่ลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกริ้นกาย ไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่สนใจที่จะทำบุญละบาปชำระใจของตนให้สะอาดก็เป็นเหมือนไก่ได้ปล่อย <c oughs> ชอบแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือน <c oughs> คือราบยสะะสศสารสนุสุขนี้เอง <c oughs> ที่จะให้ความสุขเราเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ กลับให้ความสุขกับเรามากกว่าหลายเท่าด้วยกันตามสภาพของของเขาเวลาที่เขาเสื่อมหมดไปนี้เราจะรู้สึกอย่างไรเช่นถ้าเรามีความสุขกับคู่ครองของเราแล้วถ้าเกิดเขาตายจากเราไปเราจะรู้สึกอย่างไรหรือในขณะที่เขาอยู่กับเราเราจะมีความห่วงมีความหวง มีความวิตกกังวลกับเขาหรือเปล่านี่คือความทุกข์ที่พวกเราก้านเข้ามาหาใจของเราด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงด้วยความเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองดังนั้นเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอริยสงสากเพราะท่านมีความ เห็นที่ถูกต้องด้านได้ศึกษาได้พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติจนเห็นชัดเจนแล้วว่าความสุขที่แท้จริงความเจริญที่แท้จริงนี้เกิดจากการทําบุญละบาปและการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นไม่ใช่อย่างอื่นอย่างอื่นไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงไม่สามารถพัฒนาจิตใจ ของเราได้อย่างแท้จริงดังนั้นขอให้เราจงเปลี่ยนเข็มทิศของเราจากการพุ่งเป้าไปสู่การหาลาบยศสรเสริญการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาสู่การทำบุญละบาปและทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์รับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวัง รับรองได้ว่าความสุขจะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับความทุกข์จะมีน้อยลงไปตามลําลดับและหมดไปได้ในที่สุดอย่างแน่นอนเพราะมีผู้พิสูจน์มาแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกพระสาวกพระอรหันต์ต่างๆท่านได้พิสูจนแล้วว่า มีทางนี้เท่านั้นที่จะสร้างความสุขและสร้างความเจริญให้แก่จิตใจได้อย่างแท้จริงและอย่างถาวรดังนั้นการสแสวงหาราบยศเสริมสุขของพวกเรานั้นจึงเป็นทางที่ผิดไม่ควรที่จะไปทางนี้ถ้าเราต้องหาทรัพย์ก็หาเพื่อ มาดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของเรามาเลี้ยงชีพของเราอย่าไปหาเพื่อให้ให้เกิดความสุขและความเจริญเพราะมันเป็นไปไม่ได้นั่นเองเราต้องหาทรัพย์แต่ขอให้หาทรัพย์เพื่อดูแลรักษาชีวิตของเราเพื่อเราจะได้เอาชีวิตร่างกายของเรานี้ มาหาความสุขและความเจริญที่แท้จริงก็คือมาทำบุญมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมอย่างที่พวกเรากำลังทำอยู่ในขณะนี้เพียงแต่ว่าเท่าที่ทำอยู่นี้ยังไม่มากพอคือเราเพียงทำเพียงวันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอย่างนี้ยังน้อยมาก เหมือนกับการรับประทานอาหารอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือการชำระร่างกายอาบน้ำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งไม่สามารถที่จะทำให้ร่างกายอิ่มได้ไม่สามารถทำให้จิตใจสะอาดได้เราต้องรับประทานอาหารทุกวันอาบน้ำาชำระร่างกายของเราทุกวันจึงจะสามารถรักษา ความสะอาดของร่างกายและทำให้ร่างกายมีความอิ่มไปตลอดเวลาได้ฉันใดจิตใจของเราก็ต้องมีอาหารมีการชำระเช่นเดียวกับร่างกายถึงจะมีความสุขได้อย่างสม่ำเสมออย่างถาวรมีความบริสุทธิ์ตัดสจากความโลภความโกรธความหลง ที่จะฉุดลากให้จิตใจตกต่ำถ้าเราปฏิบัติทุกวันอย่างนักบวชผลที่เราจะได้ก็จะเป็นแบบเดียวกับนักบวชเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันก็คือความสุขที่ถาวรที่เรียกว่าปรมังสุขขังเป็นความสุขที่สูงสุด เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมสลายไปจากจิตจากใจนี่คือหน้าที่ของพวกเราที่ควรจะกระทํากันให้มากถ้าเรามีเวลาว่างจากภารกิจการทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็อย่า เอาเวลาที่มีคุณค่านี้ไปพัฒนากิเลสตัณหาคือแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือแสวงหาลาบยศสารเสริญมสุดอันนี้ไม่ใช่เป็นการใช้เวลาที่ฉลาดการใช้เวลาที่ฉลาดต้องใช้ไปกับการทำบุญละบาป และชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การทำบุญถ้าเราทำจนไม่มีอะไรจะให้ทำแล้วเราก็หยุดทำได้เช่นเราไม่มีเงินทองที่จะเอาไปทำบุญได้แล้วเพราะเราต้องเก็บไว้บางส่วนเพื่อดูแลรักษาอัตภาพชีวิตของเราเราก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องทำบุญ เรื่องที่เราต้องทําต่อก็คือการละบาคืคอการรักษาศิลิ่งเริ่มต้นกัรรักษาไปเท่าที่เราจะรักษาได้ไม่รักษาห้าข้อไม่ได้รักษาได้ข้อหนึ่งก็ยังดีพยายามรักษาไปทีละข้อเพิ่มไปทีละข้อเดี๋ยวไม่นานเราก็จะรักษาได้5้าข้อแล้วพอเรารักษาได้ห้าข้อเราก็เพิ่มขึ้นไป เป็นหข้อเจข้อเป็น8ข้อแล้วต่อไปเราจะไม่ทำบาปเลยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถทำกันได้ถ้าเราทำบุญกันจนไม่มีเงินเหลือทำแล้วรับรองได้ว่าการรักษาสีนี้จะไม่ยากเลยสำหรับผู้ที่ทำบุญให้ทานจนไม่มีอะไรจะให้ทานอีกต่อไป พาะจิตใจของผู้นั้นจะเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณานั่นเองคือมีความคิดปรารถนาดีต่อผู้อื่นมีความสงสารผู้อื่นพอมีความเมตตากรุณาแล้วการที่จะไปเบียดเบียนผู้อื่นไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ เป็นไปไม่ได้ทาไม่ได้ผู้ที่มีความเมตตากราุณาจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ชอบรังแกผู้อื่นจะไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น<ม>การรักษาศีลจึงเป็นการรักษาที่ได้ที่ทำได้อย่างง่ายดายไม่เหมือนกับผู้ที่ไม่ชอบทาบุญให้ทานผู้ที่ไม่ชอบทาบุญให้ทานนี้ จะเป็นผู้ที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวไม่มีความเมตตาการุณาไม่คิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นไม่สงสารผู้อื่นเวลาที่ผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากมีคิดแต่จะกอบโกยเอาผลประโยชน์เอาความสุขให้กับตนเองเท่านั้น <c oughs> แล้วก็จะทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่นหรือไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ก็จะไม่สนใจขอให้ได้อย่างที่ตนเองต้องการเท่านั้นเมื่อจิตเป็นอย่างนี้แล้วการรักษาศีลจึงเป็นสิ่งที่ยากมากจนไม่สามารถรักษาได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงต้องสอนให้พวกเราทำบุญให้ทานก่อน เพื่อที่จะสร้างความเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นมาภายในใจของเราพอเรามีความเมตตากรุณาแล้วการรักษาสินก็จะรักษาได้อย่างง่ายดายเพราะเราไม่มีความปรารถนาที่จะไปเบียดเบียนไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองพอเราทําบุญได้รักษาสินได้ ใจของเราก็จะมีความสุขเราจะเห็นคุณประโยชน์ของใจที่มีความสุขจากการไม่มีความว้าวุ่นขุ่นโมวจากความโลภจากความโกรธคนที่ทําทานทําบุญมากๆจะไม่ค่อยโลภไม่ค่อยอยากได้อะไรคนที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จะไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยมีความเกลียดแค้นกรกด โกดเครื่องผู้อื่นก็จะทำให้จิตใจสงบเย็นสบายมีความสุขก็จะสามารถทำงานขั้นต่อไปได้คือชำระความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปด้วยการเจริญสมสถะและวิปัสสนาภาวนาที่เราเรียกว่าจิตตะภาวนา หรือการปฏิบัติ ธ, ธรรมนี้เองเพราะจิตของเรานั้นมีความสงบในระดับหนึ่งแล้วคือสงบด้วยทานและสงบด้วยสิ่งดังนั้นเวลาที่จะมาทำใจให้สงบด้วยการจเจริญสมถะภาวนาก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายด้ไม่เหมือนกับคนที่ไม่ชอบทำบุญให้ทานไม่ชอบรักษาสิ่ง จะไม่มีทางที่จะสามารถเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาได้เลยดังนั้นเบื้องต้นเราจึงต้องทำบุญก่อนทำบุญให้เต็มที่แล้วเราก็จะลักษาศีลหรือละบาปได้อย่างเต็มที่แล้วเราก็จะสามารถเจริญสมถะและวิปัสสนาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ในเบื้องต้นในการเจริญสมมาภาวนาเราก็ต้องเจริญสติก่อนคือเราต้องมีเชือกดึงใจเอาไว้ผูกใจเอาไว้อย่าให้ใจลอยไปลอยมาซึ่งใจนี้เปรียบเทียบก็เป็นเหมือนลิงเวลาเราจะจับลิงเข้ากรงเราต้องมีเชือกคล้องคอลิงเอาไว้พอมีเชือกแล้วเราก็ลากมันเข้าไปในกรงได้ ถ้าไม่มีเชือกเราต้องไปวิ่งตามจับลิงเราจะไม่มีไม่มีทางที่จะจับลิงเข้ากลงได้เลยฉันใดการที่เราจะทำใจของเราให้สงบเป็นสมาธินั้นเราก็ต้องมีเชือกผูกใจเอาไว้พอเวลาที่เราต้องการจับใจให้เข้าสู่สมาธิเราก็จะได้ใช้เชือกนี้ดึงใจเข้ามา สู่ความสงบได้ดังนั้นเราต้องสร้างเชื่อกันนี้ขึ้นมาด้วยการเจริญสติอย่างสม่าเสมอในชีวิตประจำวันของเรานั่งแต่ตื่นขึ้ น, นมาขอให้เราตั้งสติอยู่เรื่อยๆให้ใจของเราอยู่กับร่างกายของเราร่างกายเราทำอะไรก็ให้ใจของเรารับรู้เฝ้าดูการกระทำของร่างกาย อย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นถ้าเราจาเป็นจะต้องคิดเรื่องอื่นเช่นเราต้องวางแผนว่าจะทำอะไรในวันนี้เราก็หยุดการกระทำของร่างกายนั่งเฉยๆหรือยืนเฉยๆแล้วก็มีสติอยู่กับความคิดวางแผนคิดไปให้เรียบร้อยพอคิดเสร็จแล้วเราก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาทา งานของร่างกายต่อไปร่างกายต้องอาบน้ํา um, ก็อยู่กับการอาบน้ําร่างกายต้องรับประทานอาหารก um, um, um, um. ็อยู่กับการรับประทานอาหารร่างกายอยู่กับการขับรถไปทํางานก็ให้อยู่กับการขับรถไปทํางานเวลาทํางานก็ให้อยู่กับการทํางานถ้าใจไม่ยอมอยู่ยังลิ้นไปคิดเรื่องต่างๆก็ให้ใช้การบริกรรม พุโทโธนดิงเอาไว้เป็นเชือกสองเส้นถ้าเชือกเส้นแรกไม่พอไม่มีกำลังพอที่จะให้ใจรู้อยู่กับงานของร่างกายก็ต้องใช้คำบริกรรมเข้ามาอีกเส้นหนึ่งทำอะไรก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่างนี้ใจก็จะหนีไปคิดเรื่องต่างๆไม่ได้พอเรามีเวลาว่างมาเจริญสมะถะภาวนา มานั่งสมาธิใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็จะอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องอื่นให้บริกรรมพุทธโธก็เช่นเดียวกันอย่าไม่ไปคิดเรื่องอื่นพอไม่ไปคิดเรื่องอื่นได้ไม่นานจิตก็จะรวมลงเข้าสู่สมาธิพอจิตสงบแล้วก็ปล่อยให้ สงบไปนานที่สุดเท่าที่จะนานได้อย่าดึงใจออกมา ส, สมาธิต้องเป็นสมาธิที่สงบนิ่งไม่มีความคิดปรุงแต่งไม่มีนิมิตต่างๆไม่มีภาพไม่มีรูปไม่มีอะไรให้รู้ให้เห็นเพราะถ้ามีนิมิตแล้วจะเป็นสมาธิที่ไม่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์กับการ จเจรวิปัสนาภาวนาต่อไปเพราะไม่ได้มีการตัดกําลังของกิเลสตัณหานั่นเองออกจากสมาธิแบบที่มีนิมิตใจจะไม่มีกําลังคิดพิจารณาจเจริญวิปัสนาเพราะกิเลสมีกําลังมากกว่าจะดึงให้ใจไปคิดเรื่องความโลภโกรธหลงไปเรื่องการ แสวงหาลาบยศสารเสริญสุดแทนที่จะให้คิดถึงความไม่เที่ยงถึงการปล่อยวางถึงการตัดการแสวงหาลาบยศสารเสริญสุดก็จะไม่สามารถทําได้เมื่อไม่สามารถทําได้ก็จะไม่สามารถกําจัดความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงไปให้เบาบางลงไปไม่สามารถทําใจให้สะอาดขึ้นมาได้ ดังนั้นถ้าเรามีสมาธิที่มีนิมิต ม, มีรูปมีอะไรให้เราตามรู้อย่าไปตามรู้ให้ดึงกลับมาที่ฐานของจิตให้มาอยู่ที่ตัวรู้ด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธดึงกลับเข้ามาอย่าไปตามรู้เรื่องราวต่างๆที่ปรากฏขึ้นในสมาธิให้ทำใจให้ว่างให้สงบไม่มีอะไรให้รู้ให้เห็น แล้วจะทำให้กำลังของกิเลสตัณหานั้นอ่อนลงพอออกจากสมาธิแบบนี้ก็จะสามารถเจริญวิปัสสนาภาวนาได้เลยสามารถพิจารณาเห็นโทษของการแสวงหาราบยศสเสริศสุขเพราะจะเห็นว่าไม่เที่ยงไม่ไม่แน่นอนจะต้องจากเราไปไม่ใช่เป็นของเรา และเราไม่สามารถไปสั่งไปควบคุมไปห้ามไม่ให้เขาจากเราไปได้ถ้าเราเห็นอย่างดีแล้วเราก็จะไม่อยากได้ความโลภ ก, ก็จะน้อยลงไปความโกรธก็จะน้อยลงไปใจก็จะสะอาดมากขึ้นไปใจสะอาดมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นนี่คือหน้าที่ของพวกเราที่พวกเราต้องพยายามทำกันให้มาก เท่าที่เราจะทำได้ถ้าเราอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริงถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราต้องทำบุญละบาปและชาระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ทุกวันเวลาไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่วันพระเท่านั้นควรจะทำให้มากแล้วเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่ทาวรต่อไป